บทที่4กังวลลานดาวเดินมาตามนนทการถึงซุ้มหมอดูผ้า ย, ยิบสีฝ่ายนั้นยังดูไม่เสร็จแต่หล่อนก็กระแทกเสียงเรียกโจก๊กจ้าเสร็จแล้วนะเรียกแล้วก็ยืนจออยู่ตรงนั้นเป็นความหมายให้อีกฝ่ายลุกตามนนทการทําท่าเงอะงะเป็นครูเพราะกําลังตั้งอกตั้งใจฟังคําทํานายที่เข้าได้เข้าเข็มอยู่แต่เหลือบมาเห็นลานดาวหน้ามุยก็จําต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าดูหมอร่าลากันทั้งค้างคายอย่างนั้นทําไมดูเร็วนักล่ะ นนทการถามด้วยความประหลาดใจรถคนหงุดหงิดเล็กๆที่ถูกดึงตัวออกมากลางคันลานดาวขโมดคิ้วเดินฉับๆไม่สนใจตอบคำถามเพื่อนเป็นไงแม่นไหมคราวนี้หญิงสาวแหวขึ้นมาทันทีแม่นเมิอนอะไรของเธอพาฉันมาเสียเวลาทำไมก็ไม่รู้ว่าเสร็จก็เร่งความเร็วขึ้นอีกอ้าวเวล่ะสินนทการพึมพำกับตนเองก่อนสาวเท้าเร่งเดินตามวันนี้คิดว่าทาแต้มฉนหนกลายเป็นหักแต้มไปได้ มาทานข้าวกันแบบไม่พูดไม่จาในร้านโปรดของนนทการเสร็จลานดาวก็ขอให้ส่งหลอนกลับบ้านทันทีเมื่อมาอยู่ด้วยกันในรถหญิงสาวก็บ่นโน่นบ่นนี่แบบหาเรื่องว่าว่าว่าเช่นนนทการพาไปกินข้าวในร้านที่ใช้ไม่ได้อาหารรสชาติเหมือนเอาไปยัดไว้ในตูดหมูก่อนนํามาเสิร์ฟหรือเมื่อนนทการเหมอไปนิดนํารถออกตัวที่สี่แยกไฟแดงช้าหล่อนก็สั่งให้เขาไปฟังเข็มกระตุ้นประสาเสียบ้างอย่ารอจนช้าเกินการ จะถูกหลุมดําดูดตีกลายเป็นเจ้าชายนิตราเสียก่อนกระทั่งรถมาจอดหน้าบ้านนั่นเองบรรยากาศจึงเริ่มคลี่คลายเมื่อหญิงสาวผ่อนปลนด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนฟังเป็นมิตรกว่าเดิมขอบใจนะแล้วเจอกันลานดาวยิ้มสวยทิ้งทวนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสีหน้าของนนทการค่อยหายเศร้าอย่างน้อยนั่นก็เป็นสัญญาณว่าหล่อนไม่ถึงขนาดขุนเคืองขั้นอยากตัดญาติขาดมิรกับเขาพอเข้าห้องนอนลานดาวก็กลับทําหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตามลําพัง ถึงตอนนี้หล่อนจําต้องยอมรับกับตนเองว่าผวาอยู่ในส่วนลึกเหตุเพราะหมอดูทักหล่อนถูกหลายข้อและดูเหมือนรู้กระทั่งความคิดในหัวแสดงว่ามีฤทธิ์เดชเกินมนุษย์ธรรมดานั่นเป็นเรื่องหน้าพรั่นมีใช่น้อยเพราะทําให้คําพูดอื่นๆพลอยศักดิ์สิทธิ์น่าให้เชื่อว่าหมอดูมีความสามารถล่วงรู้อนาคตได้จริงแค่คิดก็อับอายแทบอยากโดดตึกแล้วมีหรือคนเคยเป็นดาวให้ชายทั้งโลกแหงนคอมองตั้งบ่าอย่างหล่อนจะต้องอกหักหรือเจ็บปวดจากความรัก แทมมือพระการคลั่งหัวใจยังดัดเป็นอิตาบ้ากใกล้บ้านเสียอีกอัตราของหล่อนใหญ่เกินกว่าจะรับนอนแช่บนเตียงอยู่พักหนึ่งก็ลุกขึ้นผลัดผ้าเข้าห้องน้ำหวังว่าน้ำแรงๆจากฝักบัวจะทำให้สบายใจขึ้นแต่ที่ไหนได้ที่เครียดอยู่แล้วกลับยิ่งเครียดขึ้นอีกเมื่อหลอนตรวจเต้านมตามวิธีที่เรียนรู้แล้วยังพบก้อนแข็งแปลกปลอมด้านซ้ายไม่หายไปไหนสักทีแม้ล่วงเวลามาระยะหนึ่ง สวงอกเป็นจุดดึงดูดสายตาและความรู้สึกของเพศตรงข้ามอวัยวะชิ้นงามยวนตาชวนสัมผัสที่ลูกผู้หญิงทุกคนใช้เป็นเครื่องวัดว่าใครดีใครด้อยลานดาวเป็นผู้มีสิทธิ์ภาคภูมิเต็มที่ในเมื่อเป็นเจ้าของโหนมเนื้อแฝดสล่างสมส่วนหน้าพิสมัยชนิดให้แอบดูทีหนึ่งแล้วเสี่ยงกับการถูกเจาะตาแตกหลายคนก็คงเอาแว่าสิ่งที่ชายบางคนยอมแลกลูกในตา ก, กับการขอดูเพียงครั้งเดียวนั่นเองอาจถูกดันให้แต่งตั้งด้วยเนื้อรายชวนขนหัวลุก วันดีคืนดีก็ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตประหารสาวผู้เป็นเจ้าของเสียเฉยๆมะเร็งเต้านมเป็นฆาตรกรมือวางอันดับสองของผู้หญิงไทยและเป็นฆาตรกรมือวางอันดับหนึ่งของผู้หญิงบางประเทศลานดาวสำเนียกกลินอายพยันตรายที่คืบคลานมาถึงตัวไวหลอนหาใช่เป้าหมายของฆาตรกรร้ายรายนี้แต่ก็ทำท่าว่าหลอนอาจเป็นหนึ่งในบุคคลหายากรับสิทธิ์เป็นเจ้าของมะเร็งก่อนไวอันควรไปเสียแล้วออกจากห้องน้ำด้วยสีหน้าหวาดวิตก เวลาเพียงชั่วโมงเศษหล่อนเปลี่ยนไปเป็นหญิงผู้ขาดความมั่นใจในตนเองสนิทจากเดิมที่องอาจคล้ายห่านกล้าพอจะเหยียบโลกไว้ใต้อุ้งเทา้าบางทีชีวิตก็เจอเรื่องบ้าบอเรียงซ้อนเข้ามาติดติดกันอย่างน่าชงนจนกระทั่งอดถามตนเองไม่ได้ว่าเป็นความบังเอิญหรือโชคชะตาราศีมีจริงยามใดถึงคราวรุ่งทุกอย่างก็หอมหวนตลบอบอวนไปหมดอยากได้อะไรก็ได้ดังใจทุกสิ่งอย่าไปหาเลยความขาดตกบกพร่องแต่ยามใดถึงคลาวเคราะห์ แม้ร่างกายตนเองยังรวนยังพยศได้ยิ่งกว่าศัตรูร้ายที่คิดทำลายกันรอบด้านดูขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีสิ่งใดเป็นอย่างใจสักอย่างเปิดคอมพิวเตอร์ต่อสัญญาณโทรศัพท์เข้าอินเทอร์เน็ตยามนี้หลอนเหมือนอ้างวังชอบกนนึกถึงหน้าคนรู้จักกี่คนกี่คนก็ไม่อยากพบไม่อยากพูดใจคลายมุ่งหาใครที่ไร้ตัว ต, วตนในโลกความเป็นจริงเพื่อระบายความอึอดอัดขับคล้องนา น, นับประการในช่วงหลัง เรียกโปรแกรมสนทนาสดที่ใช้ประจำกว่าตาดูรายชื่อชายหญิงที่กำลังออนไลน์พร้อมกันตาตื่นเล็กน้อยเมื่อพบชื่อใครคนหนึ่งหวัดดีค่ะพี่เอิญหลอนทักไปครึ่งนาทีก็มีหน้าต่างข้อความตอบกลับผุดขึ้นสวัสดีค่ะน้องจ๊ะแม้ไม่เคยพบหน้าแม้ไม่เคยกระทั่งได้ยินเสียงก็รู้สึกเหมือนมาวันทาเป็นพี่สาวแสนดีที่สนิทคุ้นเคยเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อน ที่ลานดาวคลำพบก้อนเนื้อในอกด้านซ้ายแล้วเกิดความคลาดกลัวอย่างแรงถว่าไม่กล้าไปพบแพทย์ด้วยหลายต่อหลายเหตุผลโดยเฉพาะขัดเขินต่อการตรวจภายในจึงใช้วิธีตระเวณนอ่านเว็บบอร์ดการแพทย์ในอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาแพทย์หญิงที่ท่าทางใจดีสักคนไว้ไถ่ถามเป็นส่วนตัวมาวันทาคือคุณหมอใจดีที่หล่อนค้นพบจากการไล่อ่านตั้งแต่กระทูกเก่าๆมาจนถึงปัจจุบันบอกชัดว่า มาวันทาคือแม่พลาที่อุทิศเวลาส่วน ต, วตัวตอบคำถามให้กับคนไข้ามากกว่าแพทย์คนใดในเว็บบอร์ดแห่งนั้นและไม่เฉพาะช่วยได้ทางรักษากายมาวันทายังเป็นใครคนหนึ่งที่สามารถเขียนให้คนอ่านหยุดคิดคล้อยตามหรือกระทั่งร่าเริงจำสาตามอักษรสั่งน้อยครั้งที่ลานดาวจะเกิดความนับถือใครสักคนมากๆเพียงเพราะตามอ่านความรู้ความเห็นเช่นนี้หลังจากลงทุนกว่าตาหาเป็นหลายสิบกระทูลานดาวก็พบอีเมลแอดเดรส ซึ่งมาวันทาให้ไว้กับผู้ขอรายหนึ่งเมื่อ2เดือนก่อนซึ่งก็สมใจที่ไม่ต้องติดต่อกันผ่านกระทูในเว็บบอร์ดหลอนเขียนเมลถึงมาวันทาโดยตรงแนะนำตัวสองบรรทัดว่าได้อีเมลแอดเดรสมาอย่างไรแล้วเล่าการพบก้อนเนื้อในเต้านมอีก3าบรรทัดรอเพียงวันเดียวก็ได้รับคำตอบยาวเหยียดว่าไวของหลอนมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมอย่างที่กังวล น, น้อยมากที่คลาพบก้อนเนื้อแปลกปลอมนั้น อาจมีความสัมพันธ์กับประจำเดือนคือผู้หญิงจะมีฮอร์โมนสูงขึ้นในช่วงที่มีประจำเดือนทำให้บางรายต่อมน้ำนมโตอาจมีอาการคัดตึงคลายก้อนเนื้อถ้าพ้นช่วงประจำเดือนไปสักหนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็อาจหายไปอย่างไรก็ตามมาวันทานแนะนำว่าถ้าอยากสบายใจก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจทันทีเพราะแม้ตามสถิติัยของลานดาวจะมีโอกาสเป็นมะเร็งตา่าแต่ก็เคยพบตัวอย่างคนไข้ามาจริง ซึ่งถ้าสงสัยเช่นนั้นชักช้าวันเดียวก็ไม่ได้เนื่องจากการกระจายของมะเร็งจะผ่านไปตามกระแสเลือดซึ่งรวดเร็วมากบอกไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนถ้าเอาต้นเหตุออกให้เร็วที่สุดก็จะไม่กระจายต่อลานดาวอ่านเมลตอบของมาวันทาแล้วสบายใจขึ้นเพราะช่วงนั้นเผอิญประจำเดือนมาพอดีหล่อนคิดแบบฟันทงเข้าข้างตัวเองว่าต้องไม่ใช่มะเร็งเด็ดๆอีกสองอาทิตย์ครัอีกครั้งคงพบว่าหายไปแล้ว ช่วงที่ผ่านมาหล่อนจึงชวนมาวันทาคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากการขอคําปรึกษาแพทย์ต่างฝ่ายต่างถูกอัธยาศัยและสนิทใจเหมือนพี่เหมือนน้องจึงขยับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยการเอาอีกฝ่ายเข้ารายชื่อเพื่อนคุยในโปรแกรมสนทนาสดและนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองพบปะแบบออนไลน์วันนี้จ้า ก, กําลังดวงขึ้นแน่ๆถึงได้เจอแม่พระลานดาวเริ่มเปิดฉากแบบกึ่งอ้อนกึ่งยกยอตามวิธีที่ถนัดวันนี้พี่เอิญก็โชคดีถึงมีโอกาสเจอคนน่ารัก รู้ได้ยังไงคะว่าน่ารักฟังพูดก็รู้พี่เอิญเก่งจังอันนี้จะยอมรับนะคะว่าจะเป็นคนน่ารักและก่อนที่อีกฝ่ายจะหมั่นไส้ลานดาวก็ส่งข้อความตามไปอย่างรวดเร็วมีเรื่องเศร้าที่จะบอกพี่เอิญด้วยแหละจะน่ารักจะสวยรวยเก่งแต่อาจเท่งถึงเอาง่ายๆในเร็ววันนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นละคะเมื่อกี้จะคลาพบก้อนเนื้ออีกแล้วนีสองอาทิตย์ยังอยู่สแสดงว่าเป็นมะเร็งแน่เลย อ๋อเรื่องนั้นเองอย่าเพิ่งสรุปซีไวนี้ให้โชครายมากก็น่าจะเป็นแค่ซีดหรือเนื้องอกธรรมดาหากเป็นซีดก้อนที่คลำพบจะนุ่มเหมือนถุงน้ําแต่ถ้าก้อนแข็งหน่อยก็ไม่ถึงกับตันเป็นหินจับเคลื่อนไปมาได้นั่นคือเนื้องอกธรรมดาส่วนมะเร็งโดยมากจะแข็งตันผิวภายนอกเปลี่ยนเช่นหนาขึ้นหรือเป็นแผลแล้วก็มักจะเป็นก้อนติดกับผนังหน้าอกขยับไม่ได้ลานดาวนิ่งไปอึดใจก่อนตัดสินใจพิมพ์ขอ พี่เอินสะดวกหรือเปล่าจะให้จะโทรคุยกับพี่ตอนนี้ได้ไหมคะได้ค่ะมาวันทาตอบเกือบทันทีพร้อมให้เบอร์ลานดาวยกหูเครื่องโทรศัพท์บนโต๊ะกดเลขตามทันทีขณะเดียวกันก็ใช้มือข้างที่ว่างปลดกระดุมเสื้อแกะคอยกทรงออกแล้วค่อยๆบีบหาก้อนเนื้อที่อกด้านซ้ายเพื่อลองดูว่ามันเคลื่อนได้หรือเปล่ารอสั ญ, ญญาณอยู่สองครั้งอีกฝ่ายก็รับสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอินนี่น้องจ่า น, นะคะได้คุยกับพี่เอินตรงๆเสียทีดีใจจัง เช่นกันค่ะอืมได้คุยถึงเพิ่งรู้ว่าจ้าเสียงเพลาะขนาดนี้จะไม่ได้รบกวนพี่แน่นะคะตอนนี้อยู่บ้านกําลังเขียนอะไรในเว็บบอร์ดเรื้อปื่อยเท่านั้นค่ะจ้าถือว่าว่างเออจ้าลองคลําดูมันไม่เคลื่อนที่เลยนะคะ่ะน้ําเสียงหล่อนบอกความกัดกลุ้มชัดก็ยังสรุปไม่ได้อยู่ดีค่ะว่าใช่มะเร็งไหมบางทีเนื้อเยื่ออาจหนาตัวขึ้นเกี่ยวพันกันเป็นพังผืดเรียกว่าโรคไฟโบซิสติกตรวจแมมโมกแกรมเพื่อความแน่ใจได้ วายที่ต้องเอาเครื่องอะไรมาบีบนั่นหรือคะหน้าอกจ้ากลายเป็นกล้วยทับกันพอดีมาวันทาส่งหัวเราะนุ่มมาตามสายมีอิทธิพลให้คนฟังคลายกังวลได้อย่างประหลาดราวกับเป็นยารักษาเฉพาะหน้าได้แล้วจ้าอย่าเพิ่งวิตกเลยค่ะจะเข้าข่ายต้องเครียดพรตีตนไปก่อนไข้พี่เอิญเจอมาเยอะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแต่ก็นึกว่าเป็นธรรมชาติแกล้งหลอกผู้หญิงเราให้กลัวไปสารพัดรูปแบบพอให้หมอตรวจถึงค่อยยิ้มออก ไวของจ่านั้นหายากจริงๆที่เป็นมะเร็งเต้านมกันนะ่ะลันดาวนิ่งไปอึดใจก่อนเคลื่อนมือจับก้อนเนื้อตัวปัญหาอีกครั้งถือว่าพี่เอิญรับประกันแล้วด้วยทำเสียงขึ้นจมูกเหมือนเด็กขี้ตู่มาวันทาหัวเราะ อ, อีกงั้นมาให้พี่เอิญตรวจก็แล้วกันค่ะถึงตอนนั้นค่อยประทับตรารับประกันจริงๆให้ลันดาวมาโรงพยาบาลเทียงคนเดียวความหวาดกลัวเกาะกลุ้มจิตใจจนกระสับกระสายออกมาจากภายใน คลายนักโทษคดีอุกชกันกำลังรอเข้าห้องพิพากษาก็ไม่ปานคุณลานดาวค่ะเสียงพยาบาลเรียกในที่สุดก็ถึงเวลาฟังคำตัดสินจนได้พยาบาลนำคนไข้าสาวมาจนถึงหน้าห้องซึ่งติดป้ายชื่อแพทย์หญิงมาวันทาชนาริดแล้วยิ้มให้เดินหลีกไปซึ่งนั่นเป็นไปตามคำขอส่วนตัวของลานดาวที่กระซิบบอกว่าอยากพบกันตามลาพังมากกว่ามีใครอื่นอยู่ในห้องแม้พยาบาลผู้ช่วย หญิงสาวในชุดเสื้อกาวซึ่งปรากฏต่อสายตาลานดาวยามนี้เป็นใครอีกคนที่แตกต่างจากบุคคลในจินตนาการอย่างสิ้นเชิงมาวันทานในโลกอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นคุณหมอใจดีอ้วนท้วนอายุขึ้นหลักสี่ทว่ามาวันทานในโลกความจริงกลับเป็นสาวน้อยสวยหวานแบบบางยิ้มเย็นไหวเล่เรียกกับหลอนชนิดที่ทําให้เงอะงะยามยกมือไหวเนื่องจากสองวินาทีก่อนเปิดประตูเพิ่งเตรียมใจก้มสุดศรีรษะให้ผู้อาวุโสที่สูงวัยกว่าสักสิปีเป็นอย่างต่ำ มาวันทารับไหว้ลุกจากโต๊ะทำงานมาต้อนรับน้องสาวจากโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งทำท่าอ้ำอึ้งงงงันอยู่ทำไมมองพี่อย่างนั้นลานดาวยิ้มจืดจืดทั้งกลัวทั้งแปลกใจมังคะแปลกใจเรื่องอะไรคุณหมอถามทั้งที่พอทราบเขาเนื่องจากเผชิญสายตาไม่เชื่อมือมามากจนชินหนูนึกว่าพี่เอินจะเ อ, อเหมือนยายแกมาวันทาตอบคาให้และสยายยิ้มกว้างขึ้น ประเปล่าแต่เห็นตัวจริงที่เอ่ญแล้วจ้าว่าน่าจะไปเป็นนางเอกละครมากกว่าใครกันแน่แล้วหล่อนก็แตะต้นแขนคนไข้มานั่งคุยให้หายกลัวก่อนก็ได้อย่าเลยค่ะไม่อยากให้เสียเวลาคนไข้อื่นๆจ้างั้นไปเปลี่ยนเสื้อซะลานดาวเข้าหลังฉากกันและกลับออกมาในเสื้อคลุมซึ่งโรงพยาบาลเตรียมไว้ขึ้นนอนบนเตียงตรวจด้วยใจที่เต้นน้อยลงค่อยๆเริ่มรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองกลับมาวันทานในอีกแบบหนึ่ง บางสิ่งบางอย่างในสีหน้าแววตารอยยิ้มและอากับกิริยาของมาวันทาทำให้สงบใจบังเกิดความเชื่อมั่นว่าตนจะปลอดภัยในมือหมอคนนี้ถ้าเป็นมะเร็งจริงเราต้องผ่าตัดจะจะมีอะไรเสียหายหน้าเกลียดไหมคะมาวันทาคลุมผ้าให้ถึงราวนมก่อนตอบจากตาเปล่าพี่คิดว่าไม่เป็นนะลักษณะผิวภายนอกก็ดูปกติดีไม่มีแผลไม่มีรอยดึงรั้งอย่าเพิ่งคิดไกลไปถึงเรื่องผ่าตัดเลยลานดาวสบายใจขึ้นอีก แม้ทราบว่านั่นอาจเป็นเพียงจิตวิทยาให้กำลังใจคนไข้ก็ตามมาวันทาตบแก้มอีกฝ่ายเบาๆเพื่อให้เกิดสัมผัสธรรมดาในฐานะคนคุ้นเคยนำหน้าแล้วจึงเลื่อนมือลงมายังของสงวนในฐานะแพทย์เนื้อนุ่มแน่นของสาวพรหมจันท ร, ร์ ถ, ถูกบีบตรวตราโดยมือที่ชำนาญการผัษสะละมุนของมาวันทาแฝงความเอื้ออารณ์ก่อให้เกิดสุขเกิดความวางใจและอยากอยู่ในมือหมอนา น, านๆแทนความขววยอายที่พกติดตัวมาจากบ้าน คนไข้าสาวเหลือบตามองผู้กำลังทำหน้าที่ตรวจนิง่งกระทั่งฝ่ายนั้นรู้สึกและศบตาตอบกระแสตาที่มีกำลังแรงด้วยสมาธิในงานแพทย์ทำให้ลานดาวต้องกระพลิบหลบวิธีตาไปทางอื่นจะเรียนคณะอะไรนะมาวันทาชวนคุยขณะย้ายมือจากฐันด้านซ้ายมาตรวจที่ด้านขวาเพราะสัมผัสได้จากมือว่าคนไข้ใจเต้นแรงขึ้นถ้าคุยกันคงลืมความตื่นเต้นลงศิลป ก, กรรมค่ะดนตรีหรืออะไรค่ะดนตรีดุริยางคศิลป์ เหมาะ ก, กับบุคลิกเลยนะถ้าเป็นนักร้องหรือนักแสดงต้องรุ่งแน่แต่จ้าอยากปลาดเปลืองและช่วยคนได้อย่างพี่เอินมากกว่าลานดาวกล่าวออกมาจากแรงบันดาลใจในขณะนั้นมากกว่าเคยคิดอยู่ก่อนหน้าพี่ไม่ได้ปลาดเปลืองนักหรอกต้องขยันหน้าดูเหมือนกันอย่าทอมตัวเลยค่ะใบเกียร์นิยมแขวนอยู่บนผนังข้างโตะทํางานนั่นไงหญิงสาวบุ้ยปากไปทางกรอบที่มาวันทาแขวนไว้เป็นยันกันหวาดคงเพราะเจอคนไข้มองเป็นเด็กไร้น้ำยามาจนเบือ่อเก่งไม่พอ แถมเมตตากว้างขวางเหมือนทะเลทำงานประจำที่โรงพยาบาลแล้วยังคอยช่วยเหลือคนบนเน็ตอีกเป็นวิธีแก้เหงานนะแพทยสาวตอบเสียงเรียบเรื่อยขณะปิดเสื้อให้คนไข้แสดงว่าสิ้นสุดการตรวจแฟนพี่เป็นนักบินบางทีก็ไม่อยู่บ้านหลายวันเลยต้องหาอะไรทำแต่งานเร็วจังค่ะเพิ่งครึ่งปีเท่านั้นยังไม่มีน้องหรือคะถามพลางส่งตามองหน้าทองพี่หมอคนสวยก่อนดึงตัวลุกขึ้นนั่งคงเร็วๆนี้มัง้ง เป็นหมอหน่าจะวางแผนได้อย่างใจพอเด็กหน้าใหม่เข้ามาในบ้านพี่เอิญจะได้มีทุร้าวุ่นวายหายเหงาคำว่าเด็กหน้าใหม่ของลานดาวทําให้มาวันทาเกิดวูบหนึ่งของจินตนาการรอคอยถึงเวลาเหมาะสมเขาคงเลือกมาของเขาเองมั้งพี่ไม่อยากกะเกณฑให้ผิดธรรมชาติแฟนพี่เอินคงหล่อเอาเรื่องถึงทําให้พี่เอิญยอมแต่งไวัยอย่างนี้ลูกออกมาคงหน้าฟัดหายห่วงมาวันทาหัวเราะวกเข้าเรื่องสําคัญสําหรับก้อนเนื้ออย่าเพิ่งกังวลเลยนะ เท่าที่พี่รู้สึกจากประสบการณ์มันไม่ใช่ลักษณะมะเร็งที่เกาะกล้ามเนื้อผนังอกแต่เป็นถุงน้ําที่หนาหน่อยแทงเข็มเข้าไปดูดน้ําในถุงเอามาตรวจถ้าผลปกติดีก็เป็นอันว่าจบสนิทล้านดาวยิ้มกว้างตาเป็นประกายด้วยความดีใจมองมาวันทาราวกับจดจําไว้ว่าเป็นผู้วิเศษที่รักษาหล่อนให้หายจากโรคร้ายเรอคะถ้าเป็นมะเร็งแน่อาการจะต่างจากนี้ยังไงอย่างที่เคยบอกไงถ้าลักษณะภายนอกก็เช่นสีผิวผิดปกติชัด เช่นเป็นจำจำมีรอยดึงรั้งหรือเป็นแผลถ้าลักษณะภายในก็ต่อมน้ําเหลืองใต้รักแร้โตซึ่งแสดงถึงการกระจายของมะเร็งแน่นอนหากเป็นเนื้องอกธรรมดาจะไม่กระจายเด็ดขาดอันนี้พี่ก็เช็คแล้วจ้าปกติทุกอย่างคนไข้ ย, ยิ้มโล่งอกดึงมืออีกฝ่ายมากอดฮิฮิดีใจจังเล ย, ยเพื่อความแน่ใจพี่จะให้จ้าทำอันตราสาว์อีกทีพี่เอิญคะลั่นดาวทําตาใสช่วงนี้แฟนพี่อยู่บ้านหรือต้องบิน บินจ๊ะมรืนถึงกลับแปลว่าพี่เอิญว่างงั้นเย็นนี้ขอจาเลี้ยงข้าวได้ไหมคะแพทย์หญิงมาวันทาจ้องดวงหน้างามชวนพิษของอีกฝ่ายเกิดความเอ็นดูราวกับเป็นน้องสาวคลานตามกันมาครูหนึ่งก็สายหน้ายิ้มยิ้มอย่าเลยคนชวนหน้าม้อยผิดหวังทว่าอึดใจเดียวประโยคต่อท้ายของมาวันทาก็ทําเอาลานดาวหัวใจพองโตต้องให้พี่เป็นฝ่ายเลี้ยงสิจ๊ะเย่ตกลงบ้านจ๊ะอยู่แถวไหนล่ะจะได้นัดเจอกันครึ่งทาง ไกลหน่อยค่ะช่วงบางกะปิเกือบถึงสุวินทวงศนะ์แน่ะไม่เป็นไรจะมาแถวบ้านพี่เอินได้อ้าวบางเอิญจริงพี่ก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันตายเลอคะดวงสมพงษ์จังนี้ซุ้มเสียงปิติเต็มเปี่ยมต่อไปต้องเจอกันบ่อยๆแล้วละ่ะเป็นยามเย็นที่มีความรู้สึกใหม่ๆให้รอคอยลานดาวยิ้มชื่นมืน่นมีความสุขเสียยิ่งกว่ารอโทรศัพท์หนุ่มที่ต้องใจเสียอีกหลังๆเริ่มเอียนเต็มทีกับความรักว้าหวานแบบหนุ่มสาว รอบตัวเต็มไปด้วยความน่าเบื่อหน่ายทั้งบุคคลและสถานการณ์เพื่อนที่เคยสนิท ก, ก็เริ่มกินแหนงแคลงใจและตีตัวออกห่างหนุ่มสองนายที่จัดอันดับให้เป็นแฟนก็บังเอิญเริ่มอด อ, อ้อนขอเป็นตัวจริงหนึ่งเดียวพร้อมๆกันพูดซ้ำซากตามรอยกันจนลานดาวบันดานโทรสะตะวาดตะเพิดกระแทกหูโทรศัพท์คลงครามไปคนละหนหล่อนห่างเหินมานานจากความรักบริสุทธิ์สดชื่นแบบพี่น้องชดเชยกันได้ดีทีเดียวกับความรักกล้วมมนมลทินชนิดอื่นที่โบยบินห่างหาย ออกมายืนรับลมช่วงใกล้สนธยาบนหน้ามุกบ้านหล่อนล้อมรอบด้วยหญ้าเขียวขจีและแมกไม้ทําให้ลมหายใจปลอดโป่งบางทีลานดาวยืนคิดอยู่คนเดียวว่าชีวิตหล่อนเต็มไปด้วยแสงสว่างเหมือนนางฟ้าในวิมานเทพอยากได้อะไรก็ได้ดังใจนึกทิศสวัสดหนุ่มคนไหนก็ได้คนนั้นมาเดินตามก้นต้อยๆเสมอพอเรื่องร้ายผ่านมาก็ดูจะผ่านไปอย่างไรร่องรอยหน้าอีนางขังขอบและชีวิตที่ปรากฏเป็นความเทียบพร้อมเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดนั่นเอง ก็ส่งอารมณ์ให้นึกขบขันคำทํานายของหมอดูอุปการะเป็นอย่างยิ่งอย่างหลอนนะหรือที่ต้องผิดหวังจากความรักถึงสองครั้งแถมกว่าจะเจอเนื้อคู่ตัวจริงยังต้องรออีกร่วม20ปีใครบ้าจี้เชื่อก็ตลกตายละจะด้วยความบังเอิญหรือฟ้า น, นึกสนุกอย่างไรก็ตามทีขณะนึกถึงคําทํานายของหมอดูอุปการะอยู่นั่นเองสายตาลานดาวพลันประทะเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังขี่จั ก, กรยานเสือหมอบผ่านหน้าบ้านหลอนตาโตและร้องเรียกดังๆพี่ออฟ หนุ่มผมยาวระกขอบผิวขาวร่างสันทัดส่วนสูงไล่เลียง ก, กันแก่กว่าหลอนประมาณ3มปีคนรู้จักที่ประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเหล่านี้ครบมีเขาเพียงคนเดียวแล้วก็ดันขี่จั ก, กรยานผ่านมาให้ยนพอดีเสียด้วยชาญวิทย์ซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาปั่นจั ก, กรยานออกกำลังกายหยุดกึกเหลียวเห็นเทพธิดาบนหน้าหมุกแล้วก็โบกมือให้พร้อมทักด้วยความดีใจทั้งหอบเหนื่อยเฮลโลลานดาวยิ้มหวานความจริงหลอนเกรียดเขาอยู่ลึ ก, ลก โทษฐานที่เคยอยู่ในฐานะน่านับถือแบบพี่ชายแล้วเธอึ่งคิดเปลี่ยนบททำท่าก็รอก็ติกอาสาทำโน่นทำนี่ให้ลงเอยคือสารภาพรักด้วยอาการของคนแพ้หมดรูปแม้เหตุการณ์จะผ่านมาร่วม5ปีลานดาวก็ยังไม่ลืมความรังเกียจสุดใจในวันนั้นเพราะเป็นประสบการณ์แรกที่เปลี่ยนความรู้สึกจากนับถือใครสักคนมากๆมาเป็นชิงชังขยะขยงเคยหาเหตุผลอยู่เหมือนกันว่าชาวิทย์ทอะไรผิด เขาเลวร้ายอย่างไรก็เปล่ามีแต่ทําดีกับหล่อนประเคนทุกสิ่งให้รากับค่ารับใช้เรื่องสารภาพรักร ก, ก็เป็นสิทธิที่ทุกคนพึงทําคําตอบเดียวคือใจหล่อนเองที่รู้สึกเหมือนถูกหลอกให้หลงนับถือหล่อนเป็นลูกคนเดียวคบใครใกล้บ้านที่สนิทสนมกันแต่เล็กก็อยากนับพี่นับน้องไว้วางใจเรียกพี่ด้วยความรู้สึกของน้องสาวได้แต่เขากลับทําลายความรู้สึกใส่เย็นนั้นทําให้ทุกอย่างเสียหายหมดหล่อนโทษเขาและเต็มไปด้วยคําด่าในหัว โทษที่ไม่รู้จักเจียมกะลาหัวไม่รู้จักตักน้ําใส่กระโหลกชะโ ง, งกดูเงาทําให้หล่อนเกลียดตัวเองสุดขีดที่เคยเป็นฝ่ายกระโดดเกาะแขนเขาด้วยความดีใจเมื่อเห็นหน้ามาวันนี้หล่อนมองเขาด้วยสายตาอีกแบบหนึ่งคิดตั้งคําถามว่านี่นะ่ะหรือบุคคลในคําทํานายของหมอดูอุปการะหากหลงรักตาบ้านนี้ใน3าวันเจวันหล่อนสัญญากับตัวเองว่าจะฆ่าตัวตายหลบนี้ความอับอายประชาชีให้พ้นผ ล, ผลขยันออกกําลังจังนะคะมีหน้าล่ะ มูนี้มัดกล้ามชักใหญ่หน่าดูชมลานดาวหยอดเสร็จก็สำเนียกได้ทันทีว่าชานวิสุดลมหายใจยาวด้วยความฮึกเหิมที่สาวชมและคำชมของหล่อนก็มีอิทธิพลสูงมักส่งผลให้หนุ่มๆเกิดลูกฮึดแบบนักรบที่อยากเก่งกล้ากลางสมองยอมตายเพื่อรักษาคำชมของสาวน้อยผู้เป็นนางในฝันไว้หน้าปั่นให้ครบสิบรอบนะคะพี่ออฟจ้าจะช่วยนับคำพูดหลุดผ่านกลีบ ป, ปากหล่อนเพียงง่ายแต่ทว่าทรงอนุภาพยิ่งใหญ่ ขอให้เกิดพลังผลักดันแก่ชาวิทย์อย่างมหาศาลได้เลยคอยนับนะหนึ่งรอบหมู่บ้านด้วยจักรยานเสือหมอบปันจีกินเวลาเกือบ5นาทีลานดาวยืนนับอยู่ด้วยความขบขันเห็นอาการตั้งหน้าตั้งตากระหืดกระหอบผมยาวฟูกระจายราวกับเม่นตกใจของชานวิทย์ถึงรอบที่สองก็สายหน้าเดินเข้าบ้านด้วยความสังเวชใจคืนนี้ชาวิทย์คงหลับลืมโลกพรุ่งนี้ตื่นมาคงเหมือนเพิ่งออกจากห้องไอซียน้ำมือตาลายจนหมดเวลาทำมาหากินไปอีกวันหนึ่ง คิดหาวิธีฆ่าตัวตายถ้าเผื่อลงรักชานวิทย์ไว้ต้องแบบทุเรศทุเรศถึงจะสะสมเช่นเอาหัวโขกกระมังข้าวแมวหรือไม่ก็ขโมยน้ำในคลองนกอีแอนกลอกปากให้ชักตาตั้งน้ำลายฟูมหมดสวยสนิทนั่นแหละจึงค่อยคุ้มโง่ขนาดลงรักชานวิทย์เข้าไปลง